ที่จริง ล, ลักษณะของมานะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีการต้องทําความเข้าใจนิดหนึง่งมานะหลายๆคนก็ไปเข้าใจว่ามานะมันเป็นความขยัามันแล้วก็เลยมีคําว่ามานะแปลว่าพยายามอะไรเงี้ยนีแต่แต่จริงๆแล้วมานะเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิเลส นะ่เอ่อมร้นอ น, นมาหน้าเขาจึงแปลว่านี่แบบนมีอะไรลองมีมีเจดเขียน อ, อันนี้อัน น, นี้นั่ ง, อองที่จริงคนมีอะไรนั่งอ๋อออยมนั่นั่งได้ดเลย ถ น, นักซรา ย, ยมาหน้าสาวนี้ก็แปลว่าการยกตนยกตนชูตนท่านอุปมาเหมือนนี้ น, นตัวตัวมานะาเป็นตัวเป็น เป็นกิเลสอยู่ในกลุ่มเดียวเป็นของ <c oughs> ตัณหาความแตยานอยากมานาความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนทิฏฐิความเห็นที่ไม่ตรงเป็นทัศนะเป็นความเห็นไปถ้าตัณหานี่อยากได้มานานี่อยากใหญ่ทิฏฐิมี ใ, ใจแคบถ้าแปลใ ห, ให้มันเป็นภาษาปัจจุบันนล้ อยากได้อยากใหญ่ใจแคบที่ถิมนใจใจแคบฉะนั้นลนักษณะของมานะมันก็เลยขยายออกมาเป็นว่าเป็นผู้เป็นผู้สูงกว่าเขาดีกว่าเขาเนี่ยสําคัญตัวว่าสูงกว่าเขานี่ก็เป็นมานะอย่างหนึ่งคือมันสูงกว่าเขาอยู่แล้วแต่ยังสําคัญว่าสูงกว่าเขาี่อีก เป็นผู้สูงกว่าเขาเด่นกว่าเขาแต่สําคัญตัวว่าเสมอเขาไม่สําคัญว่าเสมอเขาเป็นผู้สูงกว่าเขาสําคัญตัวว่าด้อยกว่าเขาเห็นไหมลากมานั่นเป็นผู้เสมอเขาก็สําคัญตัวว่าสูงกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญว่าด้อยกว่าเขาเป็นผู้ด้อยกว่าเขาสําคัญตัวว่าสูงกว่าเขา เป็นผู้ด้อยกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้ด้อยกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าด้อยกว่าเขาพี่อีกเห็นมันจะมีลักษณะเป็นมานะเฟื่องฟูกับมานะถดถอยถ้เห็นได้ชัดก็คือคราว่ามานะเฟื่องฟูพวกนี้เขาชอบยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเพราะตนเด่นตนดีตนแน่ใครสู้เราไม่ได้เราเด่นกว่าเขาเราดีกว่าเขาหลายสถานภาพเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรูปร่างหน้าตาฐานนะความรู้อะไรก็แล้วแต่แต่พิยดชื่อเสียงอันนี้คือมานะเพิ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมานะถดถอยคนบางคนที่ถูกกดถูกตาหนิเจอปัญหาชีวิตเยอะๆแล้วก็มีผิดหวังแล้วผิดหวังอีกผิดหวังแล้วผิดหวังอีกถ้ากลุ่มนี้ยให้สังเกตดูจะกลายเป็นมานะถดถอย มันจะเล ย, เลยมีสองกลุ่มถ้าถามว่ามานะนี่เป็นปัญหาทางด้านไหน ถ, ถ้าทิศถีนี่เป็นปัญหาด้านปัญญาใช่ไหมหมายความว่าจะแก้คนที่มีทิศถิความเชื่อทัศนคติที่แคบแคบเนี่ยแก้ได้ด้วยนะอะไรแก้ได้ด้วยการให้ปัญญาให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความเข้าใจใถูกต้อง แต่ถ้ากลุ่มมา้าเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเ็ามีปัญหาด้านจิตใจตรงนี้วิธีจะแก้แกยังไงแก้ด้วยการถ้าเป็นมา้าถดถอยกดหูทอดถอยก็แก้ด้วยการให้กาลังใจให้กำลังใจเคยเป็นไหม กรณีที่เราเกิดความหม่อยว่าเวงเหงาหม่อยเศร้าทําไมเราทําอะไรก็ไม่ถูกอะไรสักทีเลยอะไรเงี้ยลักษณะนี้แปลว่าถูกกดมาเยอะหมดกําลังใจวันนี้แก้ได้โดยการปอบโยนให้กำลังหรือบางคนมีจิตแข็งก็ได้ประเภทที่ยกตนชูตนจนอย่างมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาด้านจิตใจแก้ได้โดยการที่ว่า ให้เป็นคนมีความอ่อนโยนให้เป็นคนมีเมตตากับเขากรุณาเขาแล้วก็พอินดีกับเขาเป็นฝึกเห็นคุณของเขาเห็นความดีของเขาเนีย่ยอันนี้ก็คือพยายามให้ข้อมูลทางด้านนี้และจิตมันจะอ่อนโยนลงเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่หยหลายๆคนก็จะมีปัญหาด้านเนี้ด้านสภาพจิตที่แข็งกระด้าง สภาพจิตที่แข็งจิตที่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนอย่างมากเกินไปก็กลายเป็นคนที่ถือตนจัดเวลาเวลาถือตนจัดเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องต้องต้องถ้าเป็นตนเองก็ต้องปลอบให้ให้ข้อมูลตัวเองว่าเออมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกส่วน เวลาเราเห็นใครเนี่ยอย่างอย่างรู้ว่าไม่ต้องอะไรเหมือนโยมแหวนมองไปที่ลูกน้องจริงๆแล้วเนี่ยห้ามมองด้านเดียวสมมุติว่าถ้าเราดูด้านจุดจุดเด่นด้านเดียวเนี่ยอะไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นชั้นทารกติไม่ใช่ลําเอียงเพราะรัก มันจะลำเอียงทันทีแล้วจะเกิดความลำเอียงว่าเห็นก็รักตลอดเลยไม่ว่าจะไปมองใครก็อมองแต่ด้านดีอย่างเดียวก็เป็นชั้นธาคติก็จะลำเอียงเพราะรักถ้าไปมองจุดด้อยจุดเสียอยู่ด้านเดียวเนี่ยนะมองตรงมองทีไรคิดทีไรก็เห็นจะจุดเด็ดจุดด้อยของเขาจุดไม่ดีของเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นโทสาคติจะลำเอียงเพราะโกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจเขาหรือ ถ้ามองไปที่ใครแล้วไม่พิจารณาเหตุไม่พิจารณาผลเลยไม่ใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะองค์ประกอบทั้งหลายเดี๋ยวก็จะกลายเป็นโมหะคติลำเอียงเพราะหลงอย่างลเอียงเพราะไม่แยกแยะเหตุและผลหรือบางทีเรามองไปที่ใครเนี่ยเราไม่ได้มองถึงธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเป็นหลักในการวิิจัยแต่เอาตัวบุคคล เอาตัวบุคคลเป็นใหญ่เอายศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่เอาเกียรติยศชื่อเสียงเป็นใหญ่เอาเรื่องฐานะเอพวกพ้องเป็นใหญ่เดี๋ยวจะเกิดกลายเป็นพยาคติลําเอียงเพกกราะกลัวก็ใช่ไหมเห็นไหมันจะมีลําเอียงสี่ตัวงนายเข้าใจไหมหนึ่งฉันทาคติลําเอียงเพราะรักสองโทสาคติลําเอียงเพราะโกรธสามโมหาคติลําเอียงเพราะหลงสี่พยาคติลําเอียงเพราะ กลัวฉันทาคติมาจากไหนมาจากเรามองแต่จุดดีอย่างเดียวเหมือนมองที่ท่านไนท์เนี่ยโอ้ท่านไนท์ดีดีดีดีเนี่ยมองไปเรื่อยๆดิไม่เห็นมีมีแต่จุดดีอย่างเดียวหรือมองไปที่หนูพรเนี่ยโอ้ดีทั้งหมดเลยดีทั้งหมดเลยแล้วกลายเป็นฉันทานกติเราเบียงพลักเลยหรือถ้ามองไปทางด้านเสียเนะ่ยโอ้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มองไปเรื่อยๆจะกลายเป็นโทสากติจะกโกรธทันทีหรือ หรือไม่พิจารณาใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ดีก็ไม่ดีเนี้ยไม่ได้ใช้เหตุผลพิจารณาเลยก็กลายเป็นโมหะกติเลยนะนับเบี้ยพระหลงหรือหรือบางทีเราไปเห็นคนบางคลมียัฏฏาบรรดาศักดิ์มีมีเกียรติยศชื่อเสียงหรือมีอำนาจเนี้ยเราเลยไม่กล้าวิวนิจฉัยเหตุผลเลยคนตเนี้ยเพราะเรากลัวไง เนี่ยกลัวเสียชื่อกลัวเสียหายกาลัวแร่งกันก็กลายเป็นพยาคติมองเห็นนี่ยัง่ีลาเอียงมองเห็นไหมว่าจริงๆมนันษย์จะตกอยู่อคตินี้อคติสีอโดยมากเราอคติข้อไหนกินข้อไหนบน่นเห็นทั้งสข้อไล่นะครับนี่ทำไมทั้งสี่เลย้ำเตม เพราะาปกติก็ผมเห็นหมดเลยครเคยเป็นหมดเลยครับแต่มันอาจจะมีบางข้อซึ่หนักกับบางข้ออย่างเช่นอย่ไงเจ้าค่เช่นนี้เอ่อแต่จริงๆก็เป็นทั้งสี่ข้อจริงเช่นว่บางครั้งเราจะอัศัยมันจะหนักหน่วงกันเท่านั้นเองเจ้าเคยไหว่าเคยตถ้าเห็นชัดนี่คือข้อ2เนี่เห็นชัดโทรศากติมันเียก็โปรเาะเพราะเรามองจุดด้อยเขามากจนใช่คือบางคนก็ ตังเกลียดตัวไหมถ้ามีใครบอกโอ้คนตัวนี้เอ่าเขาดีนะว่ะมาณั้นเขาบอกว่าดีนะนี่ยมันไปกรอบหมดเลยใช่จ้ามองที่ใดก็ดีดีดีดีเนี่ยกล <c oughs> ายเป็นเัิงทางปกติเลย <c oughs> บางคนก็เราเห็นจุดต่อยเขาเพี้ยจุดเดียวแค่ น, นั้นแหละเราโอ้ใช้ไม่ได้แล้วปัดไปเลยนะ <c oughs> จุดดีก็อื่นไม่มองเลยนี่จะกลายเป็นตัวสากตินะ <c oughs> บางคนก็ไม่พิจรารณาหรอกแล้ว แ, ลแต่คนจะพูด คนนี้ที่ดีนะก็ดีตามเขาบอกไม่ดีเราก็ไม่ดีตามเขานี่โมหะคตินะหลงอีกวงคนบางคนเราเราไม่ใช้ธรรมะใช้ความถูกต้องดีงามเป็นตัวตัดสินเลยเราใช้ว่าโอ้คนตัวนี้เขาเยี่ยหน้าคนคนนี้มีเกียรติเยชื่อเสียงอันนี้เป็นอะไรพยาคติเราเหงนว่า ก, กลัวไงกลัวมนุษย์ที่ยังมีอคติอย่างเนี้นะถ้ายังมีอคติกินอย่างนี้นะ ไม่ควรไม่ควรไปเป็นพ่อแม่ไม่ควรไปเป็นลูกไม่ควรไปเป็นเจ้านายไม่ควรไปเป็นลูกน้องไม่ควรไปเป็นเพื่อนไม่ควรไปเป็นอาจารย์ไม่ควรไปเป็นศิษย์เพราะว่าถ้าไปแล้วมันจะอคติกินหมดเลยนะสังเกตดูนะไปอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอคติกับลูกศิษย์ไปอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ก็เป็นอคติกับอาจารย์ไปอยู่ในฐานะลูกน้องก็อคติกับเจ้านาย ได้อยู่ในฐานะเจ้านายก็อคติกับลูกน้องได้อยู่ในฐานะของเพื่อนก็อคติกับเพื่อนได้อยู่ในฐานะของพ่อก็อคติกับลูกลูกก็อคติกับพ่อเนี่ยไม่อคติกินหมดเลยหรือในขณะที่เป็นอุบาสกบาสิกาก็เป็นอคติกับพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ก็อคติกับอุบาสกาอุบาสิกาเนี่ยเขาจึงบอกว่าไม่เหมาะแก่การเข้าอยู่ในสังคมถ้าคนยังมีอคติอยู่ใช่ไหม นีวเราไม่ถูกสอนกันไงนี่พื้นฐานสุดๆเลยในในสภาพสังคมโลกอ่ะจริงๆคนรู้อัคติเราเราจะมองมองด้านใดนด้านหนึ่งมันเป๋เลยมนุษย์เราถ้าไปพุ่งจุดไปจุดดีจุดใดจุดหนึ่งมันตไปเลยอันนอคติเ็กินแล้วนะข้าข้าแล้วก็เสียอะไรเสียความเป็นเป็นกลางและในที่สุดจริงๆล้วก็คุณธรรมขอความเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีคุณ มันจะกลายเป็นเสียคุณเห็นเยอะไหมในสังคมตัวเองก็เป็นนะยิน <c oughs> เป็นอย่างนี้เลยเป็นพระก็ไม่ได้เลื่อมก็ อ, อคติจริงแต่แต่มนุษย์ส่วนมากก็จ ะ, จะ อ, นนอันนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไงพุทธเจ้าจึงสอนว่าพื้นฐาน <c oughs> ถ้าพื้นฐานคารวะก็ให้ออ ใ, ให้ถอดอคติออกแต่แล้วต้องมองให้ถูกอย่างที่มองนี้ด้วย คือต้องฉลาดในการที่จะมองเหมือนสมมุติว่ามีคนก็บอกโอ้โยงแหวนเป็นคนดีนะสมมุตินะเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหดีหมดเลยตวเนี้ยกลายเป็นไม่แยกแยะต้องบอกว่าดีเรื่องอะไรสมมุตินะบางคนอาจจะดีเกี่ยวกับในเรื่องของการในฐานะเป็นภรรยาที่ดีเออดีในฐานะเป็นแม่ที่ดีดีในฐานะเป็นเป็นเจ้านายดีในฐานะเป็นเพื่อน ดีในฐานะเป็นน้องดีในฐานะเป็นอะไรแต่บางทีเนี่ยอีกฐานะหนึ่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นว่าโอ้ไปเป็นนักเรียนไม่ดีเลยโดดอยู่เรื่อยโดดโลกนะเนี่ยเห็นหมพอเป็นศิษย์ไม่ดีถ้ามันมีตั้งหลายฐานะเวลาเวลาจะตำหนิคนก็อย่าไปตำหนิทั้งทั้งหมดเวลาจะชมก็อย่าไปชมจดทั้งหมดให้แยกแยกส่วนนี่พุทธศาสตร์หาจะสอนแบบนี้สอนให้แยกแยะ ถ้าถ้าอย่างเนี้ยมันจะมันจะไม่ถล่มมันจะมองอะไรตามตามเหตุปัจจัยมองตามที่มันเป็นแต่ที่ผ่านมาถ้าเราไปวิ่นิฉัยใครสักคนว่าโอ้โหคนคนนี้ดีขึ้นมาแล้วมันมันกลายเป็นว่าดีหมดไปเลยไงซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนจริงไหมแต่บางคนอาจจะมีจุดดีเยอะนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะมีสักสิบจุดเป็นตัววัดเขาอาจจะดีเก้าจุดก็ได้ หรืออาจจะดีแปดจุดก็ได้หรือเจ็ดจุดหกจุดอะไรก็แล้วแต่แต่ให้ดูแบบจะแนกแยกเยอะถ้าอย่างนี้มาเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีมีพรหมวิหารและธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีมีการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมองสิ่งทั้งหลายตามตามที่มันเป็นแล้วก็จะเป็นคนไม่วูบว่าง ในโลกวู่วาบเนี่ยสังเกตเคยเป็นบ่อยไหมถ้ามีใครตําหนิเราโตมเอ๊ะทำไมสมม ต, ติว่าไปตําหนิยอมโตว่าขับรถไม่ได้เรื่องเลยขับชา้าอย่างนี้ถ้าจริงอย่างอื่นได้เรื่องนี้ใช่ไหมอาจจะไปตัดหญ้าได้เรื่องก็ได้กวาดบ้านได้เรื่องทํากับข้าวได้เรื่องบางคนก็ไปโกรธ ท, ท, ทั้งที่เขาตําหนิเรื่องเดียวเขาตําหนิเรื่องขับรถเราก็ต้องแยกแยะว่าอ๋อเขาตําหนิเราเพียงแค่เรื่องขับรถ แต่เขาเขาเรื่องอื่นก็ไม่ได้ตําหนิเห็นไหมบางคนก็โอ้โหวันนี้ดนตาหนิซะแล้วเนี่ยก็เลยลากไปทุกเรื่องไปเลยอย่างนี้เขาเราียกไม่แยกแยะฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยต้องต้องแยกต้องแยกหลายๆส่วนเริ <c oughs> ่มมองเห็นทีอยังถ้าอย่างนี้จะทําแล้วมองอะไรเที่ยงคําขึ้นมองอะไรชัดเจนขึ้นมองอะไรตามตามเหตุปัจจัยมากขึ้น แล้วเห็นชัดไหมแล้วอย่างนี้ใจเราก็จะไม่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมันจะอย่างงี้เแะบวบูบวูบขึ้นวูบลง <c oughs> เออตรงนี้ก็เลยตอบประเด็นยอมเจียบไปด้วย <c oughs> เหตุผลที่มานะออกมาทํางานก็เพราะขาดตัวนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ขาดตัวการแยกเยอะย แต่มานะนี่คือยกตนคือแบบเห็นคนอื่นเขามีก็ก็จะต้องมีเท่าเขาอะไรทาไมประเด็นนี้ก็ต้องแยกไงว่าที่เราอยากจะเป็นอย่างเขาเนี่ยในมุมไหนมีทั้งหลายมุมเนี่ยเช่นอยากเราอยากจะฉลาดอย่างเขาเแต่ต้องไปแยกเลยคนคนนั้นเนี่ย <c oughs> ด้านความฉลาดเขาโอเคฉลาดมันต้องบอกว่าอันหนึ่งใช่ไห ม, มแล้วเขาเป็นคนดีไหมใช่ไหม บางคนฉลาดแต่ไม่ดีอเอาไม่ได้จะต้องแยกไว้วฉลาดใช้ได้แต่เขาเป็นคนไม่ดีอันนี้ไม่น่าไม่น่าเป็นและเขาเป็นคนมีความสุขไหมเอาสิใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเก่งคือฉลาดจริงสองดีสามมีความสุขโอ้ถ้าครบสา ม, มก็โอเคในมนุษย์สมบูรณ์ยังบางคนวิฉลาดจริงดีจริงแต่ไม่มีความสุขเอาไหม ชีวิตอยู่อย่างเครียดๆยกรู้ว่ายกรู้หมายถึงว่าอาจจะแ่บเห็นเพื่อนมีอย่างนี้แล้วอยากจะมีอ่างเขาได้มาณนะาอเปลอ๋อก็ต้อง <c oughs> มันมันถ้าเป็นอย่างนี้นีถ้าถ้าเป็นมานะก็ได้ไม่เป็นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเห็นเพื่อนมีแบบนี้เรารู้ว่าเพื่อนเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเพื่อนขยันเพราะเพื่อนทานํางานแบบนี้ ก็เพื่อนสร้างคุณสมมาอย่างนี้เอาละจริงๆแล้วเนี่ยความขยันก็มีอยู่ในเราความดีก็มีอยู่ในเราความสามารถก็มีอยู่ในเราเอาแรเราจะฝึกตนเองให้ให้ตรง น, นั้นขึ้นมาอันนี้ไม่เลียงเพราะเราเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีหมดแต่เพียงว่าเราจะสา ม, มารถผักดันความดีในตนให้มันขึ้นมาได้ไหมเช่อนอ่าที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็มีความเชื่อมั่น เขาประสบความสำเร็จเพราะเขามีความกล้ากล้าขามีประสบกความสำเร็จเพราะเขาไม่เลื่นไม่ฟันเฟือนเลื่นเลยมีสติเขาประสบความสำเร็จเพราะเขามีความตั้งมั่นในจิตดีเขาประสบกความสำเร็จเพราะเขามีปัญญารู้เหตุและผลเออสิ่งเหล่านี้มันก็มีในเราเนาะเพียงว่าเราไม่ได้ให้เหตุปัจจัยขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมองแบบนี้ดี แต่ถ้าบอกว่าไปเห็นเพราอย่างนั้นปุ๊บเราก็น้อยเนื้อต่ำใจใช่ใช่เนี่ยลอเี่ยพูดถึงในลักษณะไหนถ้าน้อยเนื้อต่ําใจนี่เป็นมานะใช่แล้วทีนี้คือเขาถามว่าจะแก้อย่างไรวิธีแก้ถามว่าพอไปเห็นเนีแล้วกรณีอย่างนั้นเนี่ยให้เข้าใจเหตุผลว่ามนุษย์เนี่ยที่เขาจะไปเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นมันมาจากขีดมันมาจากการทําเหตุปัจจัยเราเรารู้เหตุปัจจัยที่จะ สร้างหรือจะทำเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นหรือไม่มันเหมือนคนเขาขับรถแล้วเขาสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางก็แปลว่าคนคนนั้นเขาขับรถเป็นรู้เส้นทางรู้วิธีการที่จะขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางมันไม่ใช่เพียงแค่อยากหรือไม่อยากพ อ, อกมาทาความเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ไม่ต้องไปตั้งความรู้สึก เศร้าส้อยเสียใจกับการที่เห็นเขาเป็นแล้วเรามามันน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเพราะว่าถามว่าทุกสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันทั้งพร้อมเมื่อไหร่มันสมบูรณ์เมื่อไหร่ผลมันก็สำเร็จฉะนั้นถ้าเราปรารถนาอยากจะเป็นอย่างนั้นก็มาให้สร้างเหตุปัจจัย ถ้าสร้างเหตุปัจจัยจนเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้ตรงนั้ น, น, นก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเพียงว่าเรายังสร้างไม่พอเรายังสร้างเหตุปัจจัยไม่เพียงพอเท่านั้นเองเห็นไหมทั้งหมดนั่นก็คือใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกในการที่จะให้กำลังใจตัวเองเป็นฝึกในการที่จะหาข้อมูลในการที่จะมาปรับวิธีคิดของตัวเองให้ถูกต้องว่า เรื่องทําไมเราจะต้องไปเอานำเรื่องเหล่านี้มาเป็นคมด้อยตัวเองแล้วทําให้ตนเองก็มาแล้วก็มาคิดเบียดเบียนตัวเองคิดเศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยถ้าไปทําลักษณะนี้แปลว่าเราเราไปคิดแล้วก็ไปเบียดเบียนตัวเองมันก็กลายเป็นว่าชื่อว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดเพื่อจะเพื่อกูลตัวเองเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำลายตัวเองด้วยการเบียดเบียนตัวเอง นั้นเราต้องรู้โทนของมันมนะเนี่ยมีปัญหาด้านด้านจิตใจใช่ไหมคือด้านจิตใจก็คือจิตที่กดหู่ท้อถอยหงอยะงาเศร้าซึ้งเสียใจเราไม่ประสบความสำเร็จอย่า ง, ง, งคนอื่นเขาครอบครัวเราไม่ดีอย่างครอบครัวคนอื่นฐานะเราเราไม่ดีอย่างฐานะคนอื่นความรู้ของเราไม่เท่าความรู้ของบุคคลอื่นเนี้มันก็กลายเป็นวนะ่าแทนที่จะสร้างเยื กับกายไปไปคิดตงแต่งทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็เบียดเบียนตนเองบุคคลเหล่านี้ในสื่อจริงก็มีอาการทางด้านจิตใจซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยแทนที่เราจะที่จริงมุมตรงนั้ น, นมันคิดได้เราเห็นเขาประสบความสำเร็จเราสามารถเอาเขามาเป็นแบบได้แต่ให้เรารู้ว่ามนุษย์ประสบความสำเร็จเพราะอะไรถ้าอย่างเนี้ยก็จะแก้ได้ มองเห็นไหมอ๋อย้อนกจียเก็มองอย่างนี้แล้วก็ตกใจฮ่าฮ่าฮ่าฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮาฮ่าฮ่าฮัามา่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮน่า่่าฮ่าฮ่า่ย ก็จะเกิดมานะแบบหนึ่งว่าโอ้โหทำไมเราอายุยังไม่มากทำไมเราป่วยเราก็ทำดีมาแทบตายทำไมชีวิตเรามาเจอแต่ป<ต>ัญหามีทีเหมือนเมื่อเช้าโนเสียทีถ้าเป็นลักแสด ง, ง, งมีวิธีคิดอีกอย่างนึ่งก็คือว่าให้คิดไปหาคนที่เขาทุกข์กว่าเราแยก่กว่าเราเยอะหมดนนะพยายามคิดนะพยายามมองไปในคนที่เขาแย่ที่เขาแย่หลายหลายฐานะนเลยมากเลย ที่เขาอยู่ในสภาพสังคมที่ย่ำแย่บางคนสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์กับเขาเท่านั้นเองนองนั้นแย่ทุกได้เลยถามว่าถ้าคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันใจมันจะชื้นขึ้นไหมนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดถึงคนที่เขาเขาที่ยังเจอปัญหาอย่างกับเราเราและในขณะเดียวกันด้วยการที่คิดไม่ถูก มื่คิดไม่ถูกกับการเป็นเบียดเบียนตนเองแล้วก็ทําตนเองให้ค่อยๆแย่ลงแย่ลงกับการคิดว่าคนบนเราคนบางคนที่เจอปัญหาเหมือนเราแต่เขาคิดถูกได้การยานมิที่ดีแล้วก็ฝึกตัวเองก็พ้นจากสภาพความคิดความความเบียดเบียนตัวเองหรือความถดถอยตั้งแต่นี้ได้เห็นไหมก็ให้หมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนมุษย์เนี่ยมันสามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ ล้มเหลวอ่าในปฐมวัยอาจจะเกิดมาเป็นคนที่เฟื่องฟูฐานะความเป็นอยู่ดีทุกด้านก็ได้แต่พอมัดชิมวัยด้วยความประมาทก็กลับกลายเป็นแย่ลงนะปลายกลางคนแค่นั้นก็หมดแล้วซึ่งมันมีเยอะแยะหมดบางคนบางคนก็อในปฐมวัยแย่มากก็ใส่ความบากบั่นมุง่ง เพยยียรพยายามตนเองด้วยความชันฉลาดตนเองก็มาประสบความสําเร็จในบ้านปลายในท่นามกลางก็ได้หรือบคุคคลบางคนทั้งในปฐมวัยทั้งในมัธยมวัยแย่หมดเลยแต่มบาบากบั่นในบ้านปลายชีวิตก็ประสบความสาเร็จก็ได้ฉะั้นก็แบ่งมนุษย์ออกเป็นสามวัยปฐมวัยตั้งแต่เกิดถึงยีิบห้ามัธยมวัยตั้งแต่ยีบห้าถึงห้าสิบปัจฉิมวัยตั้งแต่ห้าสิบไปะจะถึงตาย งั้น ม, น, มนุษย์เนี่ยถ้าประมาทในวัยไหน20 20ยี่สิบถึงยี่บห้านี่ปฐ ม, มาวัยยี่ิตั้งแต่เกิดถึงยี่สิบห้าแล้วก็จากยีย่สิบห้าถึงห้าสิบแล้วห้าสิบจนตา ย, ตายนี่คือปฐ ม, มาวัยปฐ ม, มาวัยปิมวัยปิมวัยเนี่ย ม, น, มนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสามวัยเราก็จะเห็นว่าบางคนล้มเหลวในปฐ ม, มาวัย แต่ประสบความสําเร็จในมัจฉิมวัยบางคนสมหวังในปฐมวัยแต่มัจฉิมวัยแย่ก็มีปัิมวัยกลับฟื้นอีกก็มีมันมีหลายอย่างบางคนก็ทั้งปฐมวัยก็แย่มัจฉิมวัยก็แย่แม้ปัิมวัยก็แย่ด้วยความที่ตนเองประมาทมัวเมาเยอะแยะเลยให้แบ่งแบบนี้แบ่งไว้ออกมาแนี้ก็จะเห็นมนุษย์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน ถ้าประมถ้าประมาทมันก็จะกลายเป็นอันนี้จังขาลงมันก็จะแย่ลงทุกด้านถ้าประมาทนะสถานภาพก็แย่ลงความรู้ก็แย่ลงสุขภาพก็แย่ลงสถานการณ์เงินพวกพ้องก็จะแย่ลงหมดเพราะประมาททุกทั้งทั้งสามวัยแต่ถ้าไม่ประมาทคนควายมันสามารถประสบความสาเร็จได้ทุกวัยทั้งปฐมวัยมัธยมวัยและประชิดวัยถ้าเราไม่ประมาท ก็จะ ส, สามารถกลายเป็นประสบความสำเร็จได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนอกจักไม่บามาทแล้วยังต้องมีปัญญารู้แล้วมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีด้วยนะนมีที่ปรึกษาที่ดีเป็น้นว่เห็นชัดเจน